Thank mm -hmm. you. เราทุกคนก็รักสุขเกลียดทุกกันทั้งนั้นแต่สิ่งที่เรารักแล้วเราเกลียดนั้นบ่อยครั้งเราก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อย่างความสุขเราก็ไปหาความสุขนอกตัวเวลาจะดับทุกข์ก็ไปดับทุกข์กันข้างนอกมีความทุกข์แล้วก็ไปดับกันที่ห้างสรรพสินค้าบ้างโรงหนังบ้าง ดับบาคาราโอเกะมั่งหรือบางทีก็ไปดับทุกข์ที่วัดก็มีแต่ว่าลืมมองไปว่าสุขหรือทุกข์นี่จริงมันอยู่ที่ใจสุขนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่ใจเรานี่แหละทุกข์ก็ไม่ต้องไปดับที่ไหนดับที่ใจเรานี้แหละไม่จำเป็นต้องไปดับทุกข์กันในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่ไปดับทุกข์กันในวัดมันก็อาจจะ ไม่สามารถจะดับทุกข์ได้จริงก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบอย่างคนที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังทุกข์ทุกข์เพราะว่ายัางรู้สึกว่ามีไม่พอทุกข์เพราะว่ายัางไม่สามารถทำอันดับให้ดีกว่าปีที่แล้วได้ เช่นเขามีการจัดอันดับคนรวยที่สุดในโลกแล้วตอที่ตัวเองรวยเป็นพันล้านแต่ว่ายัางได้ที่ร้อยกว่าก็ยังทุกข์นะเพราะว่าอยากจะได้ให้ตัวเลขสองหลักพอไม่ใช่3หลักแต่คนบางคนจนนะแต่เขาก็ยังมีความสุขได้เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามีนั้นมันพอแล้วและเขาสามารถจะ หาความสุขจากสิ่งอื่นได้คนบางคนเดียวว่าแต่เสียเลยแม้แต่ได้มาเช่นถูกหวยแปงหวยถูกได้มา600นะ <Okay. S 1> ก็ยังทุกข์ทีแรกก็ดีใจแต่พอรว่าเพื่อนแทงถูกได้2 0 0พนไอ้ที่ดีใจเขากลายเป็นทุกข์ไปไหนจะอิจฉาเขาไหนจะโมโ oh หตัวเองที่น่าจะ แทงให้มากกว่า น, นั้นคนเราไม่ใช่ว่าได้แล้วจะมีความสุขนะได้แต่ได้ไม่พอหรือได้ไม่มากเท่าคนอื่นมันก็ทุกได้แต่คนบางคนอย่าว่าแต่ได้เลยเขาเสียแต่เขาก็ไม่ทุกมันมีคนหนึ่งตนโกงไป60ล้านก็ทุกอยู่สักวันสองวันแต่แล้วก็ได้สติขึ้นมาเขาก็ยังเห็นว่าเออฉันก็ยัง มีบ้านที่สบายอยู่ฉันก็ยังมีกินได้อย่างสบายก็เรียบอกกินอิ่มนอนอุน่นเขาก็เลยปล่อยวางได้มีคนหนึ่งโดนขโมยเพชรไปราค า, าก็คงโข อ, อยู่เสร็จแล้วเขาก็ทำใจได้เพราะเขาคิดว่าเพราะเขาตระหนักว่าเขาเคยเสียมากกว่านี้ไปแล้ว เคยสูญเสียพ่อแม่เคยสูญเสียพี่เครื่องบินตกตอนที่ลาวดาแอร์ตกที่สาสุพรรณบุรีเมื่อปี34นะเสียใจมากแต่เหตุการณ์ครังนั้นก็ทําให้เขาพบว่าไอความสูญเสียหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่เคยยิ่งใหญ่เลยมันดูเล็กน้อยไปหมดเมื่อเทียบกับการสูญเสียครั้งนั้นแม้แต่สูญเสียเครื่องเพชรก็ไม่ทุกเท่าไหร่เพราะเจอหนักกว่า น, นี้มาแล้ว เอาคนบางคนเพียงแค่นะมีสิวนะก็ทุกข์แล้วผมแห้งผมแตกปลายก็ทุกข์แล้วแต่คนบางคนพิการไม่มีมือสองข้างขาสองข้างก็กุดอย่างเช่นเมื่อสักส3าเดือนที่แล้วก็มีผู้หญิงชาวสวนะีเดนเป็นนักร้องอายุก็40กว่าแล้วนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะ ร้องเพลงสร้างความสุขให้กับคนทั้งโลกได้ ท, ท่านาทีตัวเขาเนี่ยมือทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างก็ไม่มีแต่เขาก็สามารถจะแบ่งปันความสุขที่เขามีผ่านเสียงเพลงให้แั่คนอื่นได้ที่ญี่ปุ่นก็มีคนหนึ่งนะก็เหมือนกันนะขาสองข้างมือสองข้างก็พิการตนะั้งแต่เล็กแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทุกร้อน เขาสามารถที่จะเขียนหนังสือให้กำลังใจแก่คนเป็นล้านๆคนได้ซึ่งมันต่ายจากคนที่มีอวัยวะครบทุกอย่างแต่ว่าแค่เป็นสิวหรือว่าผิวแห้งผมแตกปลายหรือว่าน้ำหนั ก, กเกินไปหน่อยเกินมาตรฐานก็กลับทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับตายก็มีถ้าตัวตายหรือว่าไปกินยาเพื่อที่จะทำให้มันน้ําหนักมันได้อย่างที่ต้องการจนกระทั่งคลั่ง ขับรถจนทั่งโดดรถจับสะพานลอยลงมาก็มีตัวอย่างอย่างที่ยกมานี้เนี่ยมันก็ที่เห็นนะว่าบางคนเนี่ยเขามีสิ่งที่ดีเยอะแต่เขาก็ยังทุกข์แต่คนหลายๆคนเขาสูญเสียหลายๆอย่างหรือเขามีน้อยแต่เขาก็ไม่ทุกข์แล้วเขามีความสุขอยู่ได้อันนี้พราะอะไรนะมันไม่เกี่ยวเรื่องเงินทองไม่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆภายนอก นะแต่มันอยู่ที่ใจว่าวางใจอย่างไรผู้เจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรทำร้ า, ายเราได้มากเท่ากับจิตใจที่วางไว้ผิดแม้แต่โจรมาทำร้ า, ายเราหรือโจรทำร้ า, ายกันก็ไม่หนักหนาเท่ากับใจที่วางไว้ผิดแต่ในทางตรงข้ามจิต ท, ที่วางไว้ถูกก็สามารถจะมีอา น, นิสงส์สร้างประโยชน์ให้แกเรายิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ ที่จะทำให้กับเราเสอีกผู้อีกยาเนื้คือว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับจิตที่วางไว้ถูกอะไรเกิดขึ้นกับเรามันไม่สำคัญเท่ากับ ว, ว่าเรารู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรหรือว่าเราทำใจมองสิ่งนั้นอย่างไรบางทีเรื่องอาจจะเกิดขึ้นนิดหน่อยแต่พอใจมันปรุงแต่งเข้ามันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ทางกายจริงๆแล้วเนี่ยมันเล็กน้อยมาก แต่มันมักจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะใจที่ปรุงแต่งอย่างอาจารย์ปรเวทท่านเคยเล่าฟังมีคนไข้คนหนึ่งนอนนอนเปรย์มาเป็นผู้ชายตัวซีดนะไม่มีเลือดไม่มีแรงแม้แต่จะเดินมาหาหมอต้องให้คนเข็นเปรย์มาอาจารย์ประเวทเป็นหมอทางด้านโลหิตนะก็สักถามคนไข้แล้วก็ดูอาการนิดหน่อย เสร็จแล้วก็หารไปพูดกับนักศึกษาแพทย์ที่มาอยู่ ใ, ใกล้ๆมาดูงานด้วยอาจารย์ประเวศกก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนะเป็นพยาิปากขอเดี๋ยวให้กินเหล็กก็จะดีวันดีคืนรักษาง่ายพูดจบหันไปมองที่คนไข้พวกคนไข้นี่ลุกขึ้นมาได้เลยแล้วก็พูดด้วยสีหน้าที่สบายใจว่าถ้าคุณหมอคิดว่ามันง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปรอ น, นี้แล้วละ่ะ เข็นเปะไปเลยเรียวแรงกลับมากระทันหันทําไมทีแรกไม่มีแรงนะก็เ พ, ะเพราะใจมันปรุงแล้วเพียงแค่ตัวสิทธิ์ก็ปรุงแล้ ว, วสงสัยเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าเป็นไตาวายหรือเปล่านะคิดไปอย่างเงี้แล้วเนี่ยพอคิดไปอย่างนี้แล้วใจมันเชื่อใจมันเชื่อแล้วก็เลยกังวลกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกังวลว่าจะทําอย่างไร พอใจคิดแบบวิจัยมันก็สุดเลยพอใจสุดกายก็สุดไปด้วยนะเป็นแค่ระยะปากขอนั้นแหละแต่ว่าไม่มีแรงสักแล้วในทางตรงข้ามนะเคยส่งอาสาสมัครไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยนหนักที่หัดใหญ่อบรมประชุมความตา ย, ยางสงบแล้วก็พาเขาไปเยี่ยมผู้ป่วยอาสาสมัครก็ไปเจอเด็กคนหนึงอายุสิบสีะเป็นมะเร็งสมองโดนฉายแสง ผมนี่ร่วงหมดเลยแต่ว่าแก่สีหน้านี่แจ่มใสสดชื่นอาสาสมัไปคุยด้วยแกก็พูดคุยดีจนอาสาสมัครแปลกใจว่าเฮ้ยทาไมเขาสดชื่นดีตอนนั้นที่เป็นมะเร็งสมองคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเขาโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกเหมือนญาติของเขาคนนั้นเป็นแล้วปวดมากเขาโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง2กรณีที่พูดขั้งต้นนี่มันต่างกันเลยนะ ผู้ชายไวช้ชบกันนะแต่ว่าเป็นแค่พยายปลาคอนีไม่มีแรงไม่มีแรงแม้แต่จะเดินมาหาหมอแต่เด็กผู้หญิงอายุแค่14เป็นมะเร็งสมองนะแต่ว่ากลับมีสีหน้านะแจ่มใสความแตกต่างอยู่ตรงไหนถ้าพูดในแง่ของระดับของความเจ็บป่วยแล้วคนที่ต่างกันมากคนหนึ่งนี่เป็นแค่พยายปลกคอมันจิ๊บจ้อยมากอีกคนหนึ่งนี่มันถึงตายนะ แต่คนที่มีอาการหนักจะถึงตายแต่ว่าสีหน้าแจา่มใสส่วนผู้ชายวัยฉกรกันไม่มีแรงเพราะอะไรเพราะใจนะเพราะใจมันปรุงแต่งนะไปในทางร้ายแล้วก็พลอยไม่มีแรงอันนี้แหละที่พู้เจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่ทำร้ายเรามากเท่ากับจิตที่วังไว้ผิดและในขณะเดีวยวกันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเป็นสุขได้เท่ากับจิตที่วางไว้ถูก แม้จะเจ็บป่วยหนักนะแต่ว่าใจที่วางไว้ถูกมันก็ทําให้ไม่ทุกได้คนบางคนไม่มีโรคนะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแต่ว่าก็กลับเจ็บป่วยได้ก็มีนะมีเพี่น้งคนหนึ่งเดืป่วยเป็นโรคความดันปวดท้องเลื้อหลังปวดความดันก็ขึ้นความดันขึ้นปวดหัวปวดท้องเป็นมาแลมปีไปหาหมอหมอก็แปลกใจเพราะว่า ตัวเท่าไหร่ก็ไม่เจอความผิดปกติในร่างกายนะเอาเข้าแ l a บก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ปวดหัวความดันขึ้นแล้วปวดท้องหมอจะถอดใจอยู่แล้วเสร็จแล้วคุยกันให้เขาเล่าประวัติเขาเาประวัติก็ทำให้หมอได้เดาได้เลยว่าเขามีปัญหากับพี่สาวั้งโกรธต้องเนย้อเนื้ อ, อต่าใจพี่สาวที่ไม่เอาใจใส่เขาหมอก็เลยบอกว่าแนะนำให้เขาให้อภัยพี่สาว คนไทยก็ไม่เชื่อว่าอะไรจะปานนั้นนะเป็นมาแลงปีเพียงแค่นี้เหรอเพราะเหตุนี้เท่านี้เหรอแกก็หายไปเลยแต่รับนานเป็นปีมึ้งแกก็เขียนจดหมายมาหาหมอคนเดิมบอกว่าตอนนี้ก็หายแล้วเพราะว่าให้อภัยพี่สาวตามที่หมอแนะนำความโกรธนะความโกรธความกังวลเนี่ยมันก็ทาร้ายทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายเราได้ คนทุกวันนี้เนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยป่วยกายไม่เท่าไหร่นะแต่ป่วยใจเยอะเพราะจิตที่วางไว้ไม่ถูกเพราะว่ามันไปไปเก็บไปหมักหมมให้ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีเอาไว้หรือว่าไปหลงเชื่อความคิดปรุงแต่งหรือว่าไปมองไปมองไม่ถูกมองไม่เป็นเช่นไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็ก็ทําให้เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะว่า รู้สึกอยู่เสมอว่าตัวเองนี้นะดีเท่าคนอื่นไม่ได้แล้วคนเราถ้าไปเปรียบเทียบตัวเองอยู่เสมอเนี่ยนะมันก็ไม่มีทางมีความสุขได้เลยเพราะเปรียบเทียบคนที่ดีกว่าซื้อของถูกแค่ไหนแต่ถ้าเกิดรู้ว่าคนอืนก็ซื้อได้ถูกกว่าก็ทุกมันไม่มีความพอใจในการมีในการเป็นเลยตราบใดที่วางจิตไม่ถูกต้องได้แค่ไหนก็ทุก พอก็ยังรู้สึกอยู่เสมอว่าได้น้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าวางจิตไว้เป็นเสียแค่ไหนก็ไม่ทุกข์นะพอรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่มีเวลาจะมาเสียใจกับเรื่องที่ผ่านไปแต่ว่าคนธรรมดานั้นเนี่ยนะมันก็อดจะไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปไม่ได้ของหายไปแล้วก็ยังเสียใจจนทุกวันนี้เพราะว่าใจก็ยังไปห่วงหาอะไรของที่เสียไป คนลักตายจากไปแล้วก็ยังเสียใจอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าใจก็ยังไปคิดถึงเขาแต่ที่จริงไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นหรอกนะเพียงแค่ว่ามีอะไรแมกกระทบใจไม่ถูกใจเราแล้วเราก็เอาไปคิดเอาไปเก็บเอามาคุ้นคิดมันก็ทุกข์แล้วแหละคนเราเนี่ยทุกข์เพราะไปยึดกับอดีตกับอนาคตมากอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว รวมถึงสิ่งที่เรายังไม่มีนะอนาคตสิ่งที่เรายังไม่มีอะไรที่เรายังไม่มีเราก็เป็นทุกข์เพราะเราอยากจะได้อะไรที่เราเคยมีแต่เสียไปเราก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าไปทุกข์เพราะอดีตได้เหมือนกันนะสิ่งที่เรามีแต่คนหนึ่งเขามีมากกว่าแล้วเราก็อยากจะมีอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกไปอยู่กับอนาคตนะแล้วเราก็ทุกข์เพราะเหตุนี้เยอะลองดูเถอะนะไม่ว่าเราจะทุกข์เพราะการมีการเป็น พ่แล้วก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีไม่พ้นเนี่ยเรื่องอดีตกับอนาคตเรื่องที่ผ่านไปแล้วกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรื่องที่คนหนึ่งเขามีกันแต่เรายังไม่มีหรือสิ่งที่เรามีแต่มันหายไปไม่อาจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจเป็นสถานภาพหรือว่าคนความทุกข์ของคนเราจริงเนี่ยมันก็มีไม่พ้น4อย่างเนี่ยนะลองพิจารณาดูหนึ่งเป็นเรื่องทรัพย์ทรัพย์สมบัติรวมนักเงินเดือน 2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายร่างกายนี้ก็เช่นรูปร่างส่วนทรงหรือสุขภาพบางทีสุขภาพดีแต่รูปร่างส่วนทรงมันไม่ถูกใจไม่ถูกมาตรฐานก็ทุกหรือว่าเรื่องงานการลดทั้งการเรียนด้วยนะงานการยากลาบากไม่ประสบความสําเร็จนะมีอุปสรรคนะก็ทุกหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับผู้คน ทะเลาะเบาแว่งขัดแย้งกันหรือว่าคนรักเขากําลังป่วย mm. กําลังเจ็บหรือว่าตายจากไปพูดถึงประเด็นที่ทุกข์ก็อนี้ไม่พ้น4อย่างนี้อาจจะเพิ่มอีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าตาซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้คนเพราะว่าน้าตาก็หมายถึงอยากจะให้คนเขายอมรับอยากจะให้คนเขานับถืออยากจะให้คนเขาสารรเสริญมันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันทําให้เราทุกข์ได้เพราะว่าใจของเราเนี่ยไป ตั้งความหวังไว้ไม่ถูกต้องเรามองว่าไม่เป็นเช่นมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปนแล้วก็ยังไปผูกติดกับมันมันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็คอยห่วงกังวลกับมันแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเรามีสติรู้ทันนะมันไม่ไปเผลอไปอยู่กับอดีตไม่ไปเผลอไปอยู่กับอนาคตสติก็คือความระลึกได้เวลาเราเผลอไปอยู่กับอดีตอนาคตนั่นแหละเป็นเพราะเราไม่มีสติแล้วเราลืม ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเพราะเราไปมองไปห่วงกังวลเรื่องข้างหน้าหรือว่าไปอะไรกับเรื่องที่มันอยู่ข้างหลังผ่านไปแล้วแล้วคนเราทุกข์เพราะความคิดนะแต่เราก็ยอมให้ความคิดเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้กับเราต่อไปเวลามือเราเนี่ยมันถูกไฟหรือว่าถูกของแหลมเนี่ยโดยทันทีเลยนะเราก็จะชักมือออกเราก็จะชักนิ้วออกไม่ต้องสั่ง ร่างกายมันทำงานทันทีมันชักนิ้วออกเลยเวลาเจอหนามหรือว่าเจอไฟแต่ใจเนี่ยเวลามันเจอไฟโทสะมันเจอไฟตันหาเนี่ยหรือรวมทั้งความเศร้าโศนี่มันกับแสเข้าหานะมันกับจมอยู่กับไอ้ไฟโทสะไฟราคะนั่นนะทั้งทั้งที่รู้ว่าไฟนี้มันร้อนไฟนี้มันทุกข์แต่ก็ยังคลอเคลียร์ไม่ยอมถอยไม่ยอมหนี เวลาเราโกรธใครสักคนเวลาเราเกียดใครสักคนเนี่ยสังเกตหรือเปล่ายิ่งโกรธ ย, ยิ่งเกลียดเท่าไหร่ยิ่งเก็บออกมาคิดพฤติกรรมที่เขาทําไม่ดีกับเราไม่ว่าด้วยวาจาด้วยการกระทํายิ่งมันเจ็บปวดมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเอามาคิดเอามาครุ่นนะกินก็คิดนอนก็คิดอาบน้ําก็คิดคิดทําไมในเมื่อยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งทุกข์อันนี้ก็เพราะมันเผลอมันเผลอก็คือไม่มีสตินะคนเราถ้ามีสติแล้วเนี่ยนะมันจะ ทำให้เราสลัดปล่อยวางจากความทุกข์เหล่านี้ได้สลัดวางจากความคิดปรุงแต่งหรือไม่ก็ทักท้วงมันทักท้วงมันอย่างเช่นคนที่เป็นพิาุปากขอแล้วก็ปรุงแต่งไปนะโอ้ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะไตาวายหรือเปล่านะธรรมดาคนเราคิดได้นะมันเป็นธรรมดาที่คนเราจะ ก, กังวลหรือปรุงแต่งได้แต่ถ้าเกิดรู้จักทักทวงว่าเอ๊ะอาจจะไม่จริงก็ได้นะ ถ้าใจมันรู้จักทักท้วงเนี่ยมันก็ไม่ถล่มเข้าไปแต่นี่มันไม่รู้จักทักท้วงเนี่ก็เลยเชื่อเป็นมั่นเป็นเหมาะนะว่าเป็นจริงๆเป็นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีสติหัดทักท้วงบ้างอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆอย่าไปเชื่อแม้กระทั่งความคิดเราคิดว่าคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นจากอากัปกิริยาของเขาจากสายตาที่เขามองเรา หรือจากคำพูดของคนอื่นที่บอกเล่าเราคนเราก็มักจะเชื่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งสติว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเราลองถามก็ดูก่อนดีไหมนะอันนี้เรียกว่าไม่หูเบาถ้าส่วนใหญ่นี่หูเบากับปา ก, ปากหนักนะหูเบาแต่ปากไม่หนักนี่ก็ยังพอทำเนาหูเบาเชื่อง่ายแต่ว่าปากนี่ยังถามว่าเป็นอย่างนี้จริงไหมมันก็ทาให้พบความจริงแต่ส่วนใหญ่ เราไม่รู้ความจริงหรอกเพียงแค่คิดขึ้นมาก็าไปสําคัญมั่นหมายแล้วว่าเป็นความจริงเอ็นเทอร์มีสติเนี่ยมันจะช่วยทักทวงได้สติคือรู้ทันความคิดให้ความระลึกได้มันมีความระลึกได้หลายอย่างระลึกได้ในสิ่งที่ในเรื่องงานการระลึกได้ว่ากําหนดการเป็นอย่างไรหรือจําได้ว่าทําอะไรไว้บ้างระลึกได้ว่าพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นมาเพื่อมาทําวัดตีสี่ อันนี้เป็นเรื่องการระลึกได้ซึ่งเราใช้ในการงานทั่วๆไปทำครัวก็ระลึกได้ว่าเดี๋ยวต้องทําอาหารต่อไปรายการอะไรเมนูอะไรสามารถลําดับได้อันนี้เป็นความระลึกได้ความจําได้ที่เป็นเรื่องนอกตัวซึ่งบางทีมันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราระลึกได้ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็ลําดับเหตุการณ์แล้วก็ลําดับภารกิจที่เราต้องทําวันพรุ่งนี้ได้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ว่าสติท en <Okay. S 1> ี่สําคัญก็คือการระลึกได้ในเรื่องที่เป็นเรื่องกายและใจของเราแล้วก็ระลึกได้ในเรื่องที่เป็นปัจจุบันระลึกได้ว่าพรุ่งนี้ต้องทําอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องอนาคตแล้วก็มันเป็นเรื่องงานการซึ่งถือว่าอยู่นอกกายและใจแต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือการระลึกได้ในปัจจุบันระลึกรู้ในกายและใจเราลึกรู้ในกายและใจนี่มันปัจจุบันมากๆเลยเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจมันคือเรื่องปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่ไม่ค่อยทันกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขอาจจะจำเก่งในเรื่องต่างๆได้ที่เป็นเรื่องนอกตัวโจรเวลามันจะขโมยของเนี่ยก็มีความจำได้ความระลึกได้มากเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างเวลาเข้าไปในบ้านก็จะระลึกได้ลำดับว่าจะต้องทำอะไรบ้างของอยู่ตรงไหนสัญญาณไฟอยู่ตรงไหน ตำรวจจะมาเวลากี่โมงเจ้าของบ้านจะกลับมากี่โมงแอปจอนี้เขาลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นแต่เขาก็ลำดับได้ให้การลรดับได้เนี่ยเ ร, เรียกว่าสติเหมือนกันนะแต่มันเป็นเรื่องนอกตัวแล้วมันเป็นเรื่องอนาคตแต่สิ่งที่เรายังไม่มีกันหรือมีน้อยคือการระลึกรู้ในกายและใจในปัจจุบันเป็นใจมันเผลอไปแล้วนะตอนนี้รู้เลยนะไอ้ตัวที่รู้นะั่นแหละคือสติรู้ใจที่กําลังเผลอ ใจที่กาลังปรุงแต่งในขณะประเดียวเดียวนี้เองถ้าเรามีสติอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่หลงเชื่อความคิดง่ายๆมันจะทักท้วงความคิดและมันจะขัาไม่เข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกง่ายๆมันเผลอเข้าไปในอดีตแล้วก็ทุกข์กับเรื่องในอดีตมันรู้ทันทีพอใจไม่เริ่มทุกข์ขึ้นมาเนี่ยสติรู้ทันสติมันมันสติมันรู้ทันจิตที่ไหวพอจิตไหวเนี่ยสติรู้สติก็ถอนจิตออกมาจากเรื่องที่เป็นอดีต หรือเรื่องที่เป็นอนาคตกลับมาอยู่ปัจจุบันเช่นขณะนี้เรากำลังฟังอยู่แต่ว่าใจเราลอยไปถึงที่ทำงานไปถึงบัญญัติว่าเรามีงานค้างที่ต้องทำอะไรบ้างพอนึกถึงงานที่ค้างอยู่ใจมันก็ห่อเหี่ยวในทันใดนั้นเองสติรู้ว่าใจกำลังฟุ้งไปแล้วก็ระลึกได้ว่าเรากำลังมานั่งฟังอยู่พอรู้อย่างนี้เนี่ยสติก็จะดึงจิต ก, กลับมาอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ตรงนี้ ก็จะทำให้เราฟังได้อย่างต่อเนื่องสะดุดเพียงแค่ชั่วคราวสติที่รู้ใจว่าเผลอไปคิดถึงเรื่องอนาคตอันนี้ก็คือสติที่เราต้องการเราเรียกว่าสติปัฏฐานคือรู้ใจและรู้ใจแบบมันมันปัจจุบันมากมากเลยคือรู้ขณะที่กำลังเผลอแล้วก็พาจิต ก, กลับมาพอกลับมาก็เกิดความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความสึกตัวว่าเรากาลังนั่งอยู่ mm. กาลังนั่งฟังอยู่ ความสุกที่เกิดขึ้นนี่มันก็เป็นเรียกว่ารู้กายมันเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ลืมกายลืมใจนะไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแล้วถ้าคิดดีมันก็เพิ่มคิดถึงเรื่องอดีตที่เคยไปเที่ยวกับแฟนกับพ่อแม่เออใจมันก็สบายใจลอยก็เพิมแต่พอคิดไปถึงอนาคตคิดไปถึง งานการคิดไปถึงปัญหาที่ข้างค้างคิดไปถึงดอกเพี้ยที่ยังไม่ได้จ่ายนี่ที่ยังไม่ได้ผ่อนให้เสร็จพอคิดแบบนี้มันก็ห่อเหี่ยวนี่เพราะมันเผลอไปมันคิด่างนี้ได้เพราะมันลืมกายลืมใจลืมปัจจุบันนั่นเองงั้นถ้าเกิดนี้เรากลับมาอยู่ปัจจุบันบ่อยๆเนี่ยนะมันไม่มีทางที่ไอความทุกข์ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือความกังวลที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมันจะมาเล่นงานเราได้ เพราะนั้นเนี่ยการที่เราพยายามเจริญสติโดยเพราะสติปัฏฐานคือสติที่ทําให้เราลึกรู้ในกายและใจได้สติที่ไม่ทําให้ลืมกายลืมใจที่ทําให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยอย่าไปคิดว่าถ้าตับใดที่ตื่นมาแล้วมันจะรู้สึกตัวได้เองนะอย่าไปคิดว่าฉันไม่สลบฉันไม่ได้หลับฉันก็รู้สึกตัวอันนั้นไม่ใช่เพราะว่า แม้ตาจะเปิดหรือแม้ว่ามือกําลังทําอะไรอยู่แต่ว่าพอใจมันเข้าไปในความคิดมันหลุดเข้าไปในอารมณ์แล้วเนี่ยไอความรู้สึกตัวก็หายไปเลยนะมันหายไปในช่วงที่ลืมลืมเข้าไปในความคิดนั่นแหละตอเมื่อหลุดออกมาได้เนี่ยความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นรู้สึกตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่รู้สึกตัวว่ากำลังนั่งอยู่รู้สึกตัวว่ากำลังทํากําลังล้างจานอยู่กําลังอาบน้ําอยู่กําลังถูฟันอยู่ ในความรู้สึกตัวเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเข้ามาไม่ได้ไอ้ที่เข้ามาได้เพราะมันไม่รู้สึกตัวมันลืมตัวและลืมตัวก็เลยหลุดเข้าไปในความคิดนั่นการปฏิบัติเนี่ยที่จะช่วยทําให้เราไกลาจากทุกข์แล้วก็พบสุขภายในใจรวมทั้งสามารถที่จะดับความทุกข์ในใจได้เนี่ยมันก็คือสติปัฏ ฐ, ฐานหรือการเจริญสตินะซึ่งเมื่อทํำมากๆเข้าก็ทําให้เกิดปัญญา ปัญญาคือการรู้การที่เรารู้ทันบ่อยๆตามเห็นกายและใจอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำก็จะทำให้เห็นธรรมชาติของกายและใจได้เรืออ่องน้อยก็รู้จักวางใจอย่างถูกต้องเวลาจิตมันชอบคิดไปในแง่ลบคิดไปในเชิงที่เปรียบเทียบกับคนอื่นพอรู้พอมีสติระลึกได้มันก็ถอนออกมาทั้งที่ทำให้การวางใจเป็นการวางใจที่ถูกต้องหรือถ้าเรารู้ว่าอาการคิดในแง่บวกเป็นของดีสติก็ช่วยพาจิต ให้คิดในแง่บวกให้คิดระลึกทบทวนได้วโอ้เราเคยสูญเสียมากกว่า น, นี้มาแล้วเราก็ผ่านมันแล้วทำไมเราต้องมากังวลเรื่องหนักที่สุดในชีวิตเราเจอมาแล้วไม่มีอะไรที่หนักกว่า น, นี้แล้วพอคิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เกิดมีกําลังใจขึ้นมาเสียเงินไป60ล้านแต่ว่ามีสตริระลึกได้ว่าโอ้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยเราก็ยังสุขสบายกว่าคนอื่นเขาก็ยังมีบ้านหลังใหญ่อยู่ยังมีรถอยู่ ยังสามารถกินอาหารอร่อยตามใจปากได้มันก็ไม่มีอะไรจะต้องทุกข์เงินก็หาใหม่เงินหาใหม่ได้ส่วนใหญ่นี่เรามักจะปล่อยเรียกว่าทุกข์ซ้ำสองของหายแล้วก็ยังใจก็ยังหายอีกเสียของแล้วก็ยังเสียใจอีกอันนี้แหละเพราะความเผลอเมื่อเผลอแล้วเนี่ยมันก็ทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตที่วางไว้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ย ในการที่เราจะต้องมาให้ความสําคัญกับการมีสติรู้ใจแดะรู้ในกายและใจไม่ลืมตัวไม่ลืมกายและใจพยายามให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นอยู่เสมออยู่กับปัจจุบันให้ได้เนี่ยมันจะเป็นกุญแจสําคัญมากในการที่จะนําพาชีวิตให้เดินไปในทางที่ถูกต้องเป็นปกติไม่ทุก